ท่านอชิตะทูลถามดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรุกุกปัญญาสตินามและรูปนี้ดับที่ไหน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 แสงสว่างคือปัญญาปัญญาดุดดวงประที่ปัญญาดุดดวงแก้วความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิคำว่าสติได้แก่สติคือความระลึกถึงสัมมาสติรวมความว่าปัญญาสติท่านอชิตตะทูลถามดังนี้คำว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกนามและรูปอธิบายว่า คำว่านามได้แก่ขันธ์ที่ไม่ใช่รูปสี่อย่างคำว่ารูปได้แก่มหาพูทธรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาพูตรูปทั้งสี่คำว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์เป็นคํากล่าวด้วยความรักเป็นคํากล่าวด้วยความเคารพคําว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรุตุกนี้เป็นคํากล่าวที่มีความเคารพและความยำเกรงรวมความว่า ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกนามและรูปคำว่าเนื ki, ้อความนั for, ้นแก่ข่าพระองค์ในคำว่าฆ่าพระองค์ได้ทูลถามแล้วขอพระองค์โปรดตรัสบอกเนื้อความนั้นแก่ข่าพระองค์ด้วยเถิดได้แก่เนื้อความที่ข่าพระองค์ทูลถามคือเนื้อความที่ฆ่าพระองค์ทูลขอเนื้อความที่ข่าพระองค์ทูลอันเชิญเนื้อความที่ฆ่าพระองค์ทูลให้ประกาศ คำว่าได้ทูลถามแล้วได้แก่ได้ทูลถามแล้วเือทูลขอแล้วทูลอัญเชิญทูลให้ประกาศแล้วคำว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกได้แก่ขอพระองค์โปรดตรัสคือโปรดบอกสแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทําให้ง่ายประกาศรวมความว่าข้าพระองค์ได้ทูลถามแล้ว ขอพระองค์โปรดตรัสบอกเนื้อความนั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดคาว่านี้ดับที่ไหนได้แก่นามและรูปนี้ดับคือเข้าไปสงบถึงความตั้งอยู่ไม่ได้รงงะงับไปณที่ไหนรวมความว่านี้ดับที่ไหนด้วยเหตุนั้นพราหมณ์นั้นจึงกราบทูลว่าท่านอชิตะทูลถามดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรุขุปัญญาสติ นามและรูปนี้ดับที่ไหนข้าพระองค์ได้ทูลถามแล้วขอพระองค์โปรดตรัสบอกเนื้อความนั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด mm hmm. พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอาชิตะเธอได้ถามปัญหานั้นใด เราจะกล่าวแก้ปัญหานั้นแก่เธอนามและรูปนั้นดับไม่มีส่วนเหลือในที่ใดนามและรูปนั้นดับไปในที่นั้นเพราะวิญญาณดับคำว่านั้นใดในคาว่าเธอได้ถามปัญหานั้นใดได้แก่ปัญญาสตินามและรูปคาว่าเธอได้ถามได้แก่เธอได้ถามแล้วเคอได้ขออัญเชิญขอให้ประกาศแล้ว รวมความว่าเธอได้ถามปัญหานั้นใดคําว่าอจิตะในคําว่าอจิตะเราจะกล่าวแค่ปัญหานั้นแก่เธอเป็นคําที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพรามนั้นโดยชื่อคําว่านั้นได้แก่ปัญญาสตินามและรูปคําว่าเราจะกล่าวแค่ได้แก่เราจะกล่าวคือจะบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจาแนก ทำให้ง่ายประกาศปัญหานั้นรวมความว่าอาชิตะเราจะกล่าวแค่ปัญหานั้นแก่เธอคําว่านามในคําว่านามและรูปนั้นดับไม่มีส่วนเหลือในที่ใดได้แก่ขันที่ไม่ใช่รูปสี่คาว่ารูปได้แก่มหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปทั้งสี่คาว่าไม่มีส่วนเหลือได้แก่ ทุกสิ่งโดยอาการทั้งหมดทุกอย่างไม่มีเหลือไม่มีส่วนเหลือโดยประการทั้งปวงคำว่าไม่มีส่วนเหลือนี้เป็นคำกล่าวรวมๆไว้ทั้งหมดคำว่าดับได้แก่ดับคือเข้าไปสงบถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ระ ง, งับไปรวมความว่าน้ำและรูปนั้นดับไม่มีส่วนเหลือในที่ใดคำว่านามและรูปนั้นดับไปในที่นั้นเพราะวิญญาณดับ อธิบายว่าธรรมคืนนามและรูปที่เพิ่งเกิดในสงสารมีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้เว้นพบเจ็ดย่อมดับคือเข้าไปสงบถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ระ ง, งับไปในที่นั้นเพราะวิญญาณอันประกอบด้วยอภิสังขารธรรมดับไปด้วยโสดาปติมัคคยานธรรมคืนนามและรูปที่เพิ่งเกิดในพบห้าเว้นพบสองย่อมดับคือเข้าไปสงบ ถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ระงับไปในที่นั้นเพระญญญาะวิญญาณอันประกอบด้วยอภิสังขารธรรมดับไปด้วยสกะทาคามิมัคคยาณธรรมคือนามและรูปที่พึงเกิดในรูปธาตุหรืออรูปธาตุเว้นพบหนึ่งย่อมดับคือเข้าไปสงบถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ระงับไปในที่นั้นเพราะวิญญาณอันประกอบด้วยอภิสังขารธรรมดับไปด้วยอนาคามิมัคยาณ ธรรมคือนามและรูปที่พึงเกิดย่อมดับคือเข้าไปสงบถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ระงับไปในที่นั้นเพราะวิญญาณอันประกอบด้วยอภิสังขารธรรมดับไปด้วยอรหัตมัคคายานปัญญาสตินามและรูปย่อมดับคือเข้าไปสงบถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ระงับไปในที่นั้น เพราะจริมะวิญญาณของพระอระหันต์ผู้ปรินิพานด้วยอนุปาทิเศสนิพานธาตุดับไปรวมความว่าน้ำและรูปนั้นดับไปในที่นั้นเพราะวิญญาณดับด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าอาทิตะเธอได้ถามปัญหานั้นใดเราจะกล่าวแก้ปัญหานั้นแก่เธอน้ำและรูปนั้นดับไม่มีส่วนเหลือในที่ใด นามและรูปนั้นดับไปในที่นั้นเพราะวิญญาณดับ Memory. ท่านอชิตะทูลถามดังนี้พระอรหันตขีนาศบเหล่าใดผู้มีสังขารตธรรมและพระเสขาเหล่าใดที่มีอยู่เป็นอันมากในที่นี้ ข้าแต่พระองค์ผู้นิรุตุข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์ผู้มีปัญญาโปรดตรัสบอกการดำเนินชีวิตของพระอรหันตขีนาศและพระเสขเหล่านั้นเถิดคำว่าพระอรหันตขีนาศเหล่าใดผู้มีสังขารตธรรมอธิบายว่าพระอรหันตขีนาศตรัสเรียกว่าท่านผู้มีสังขาตธรรมเพราะเหตุไรพระอรหันตขีนาศ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 สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงผู้มีสังขารตธรรมว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ผู้มีสังขารตธรรมว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาผู้มีสังขารตธรรมว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีผู้มีสังขารตธรรมผู้รู้ธรรมผู้เทียบเพียงธรรมผู้พิจารณาธรรมผู้รู้แจ้งธรรมผู้เห็นแจ้งธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิงนั้นทั้งหมดลรวมมีความดับไปเป็นธรรมดาอีกนายหนึ่งพระอระหันตขีนาศเหล่านั้นรู้ขันธาตุอายตนะคติอุบัติการถือกาเนิดปฏิสนธิพบสงสารวัตะแล้วอีกนายหนึ่งท่านเหล่านั้นดํารงอยู่ในที่สุดแห่งขันในที่สุดแห่งธาตุในที่สุดแห่งอายตนะในที่สุดแห่งคติในที่สุดแห่ง อ, นะอุบัติ ในที่สุดแห่งปฏิสนธิในที่สุดแห่งพบในที่สุดแห่งสงสารในที่สุดแห่งวัฏฏะดำรงอยู่ในพบสุดท้ายอัตภาพสุดท้ายเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงร่างกายสุดท้ายไว้พระอรหันตขีณาศพเหล่านั้นมีพบนี้เป็นพบสุดท้ายมีการประชุมแห่งขันเป็นครั้งสุดท้ายไม่มีการเวียนเกิดเวียนตายและพบใหม่ก็ไม่มีอีกเพราะเหตุนั้น พระอรหันตขีณาศพพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกว่าผู้มีสังขารธรรมรวมความว่าพระอรหันตขีณาศพเหล่าใดผู้มีสังขารธรรมว่าด้วยสิกขาสามคำว่าเสกขะในคําว่าพระเสกขะเหล่าใดที่มีอยู่เป็นอันมากในที่นี้อธิบายว่าเพราะเหตุใรจึงเรียกว่าพระเสกขะ เพราะท่านยังต้องศึกษาจึงเรียกว่าพระเสคขะท่านยังต้องศึกษาอะไรท่านยังต้องศึกษาอาธิสินลศึกทขาบ้างอาธิจิตสิทธขาบ้างอาธิปัญญาศึกธาบ้างอาธิสิลศึกทาเป็นอย่างไรคือพิสูจในธรรมวิันนี้เป็นผู้มีศีนสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกสมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจรเห็นภายในโทษเพียงเล็กน้อย จะมาทานศึกษาในศึกขาบททั้งหลายอยู่คือศีลพันธ์เล็กศีลพันธ์ใหญ่ศีลเป็นที่พึ่งเป็นเบื้องต้นเป็นความประพฤติเป็นความสำรวมเป็นความระวังเป็นหัวหน้าเป็นประธานเพื่อความถึงพร้อมแห่งธรรมที่เป็นกุศลนี้ชื่อว่าอาธิศีลศิกขาอาธิจิตศิกษาเป็นอย่างไรเพื่อพิสุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกา ร, รและอคุโสรธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจาร์ปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจาร์สงบระ ง, งับไปแล้วบรรลุทุติยฌาบนบรรลุตติยฌาบนบรรลุจตุทัชฌานอยู่นี้ชื่อว่าอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเป็นอย่างไรคือพิสุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญาอันประเสรศิฐอย่างถึงความเกิดและความดับเพิกถอนกิเลสให้บรรลุถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเธอรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนี้ทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกข์นี้ทุกขานิโรธความดับทุกข์นี้ทุกขานิโรธทักไม่มีปฏิปทาปฏิปทาเครื่องดําเนินไปสู่ความดับทุกขเหล่านี้อาจวะนี้อาจวะสมุทัย นีิอาสวานิโรธเธอรู้ตามเป็นจริงว่านิอาสวานิโรธคาม่มีปฏิปทานี้ชื่อว่าอธิปัญญาสิกขาสิกขาสามเหล่านี้เมื่อพระเสขานึกถึงชื่อว่าย่อมศึกษาเมื่อทราบชื่อว่าย่อมศึกษาเมื่อเห็นชื่อว่าย่อมศึกษาเมื่ออธิษฐานจิตชื่อว่าย่อมศึกษา เมื่อน้อมใจชื่อด้วยศรัทธาชื่อว่าย่อมศึกษาเมื่อประคองความเพียรชื่อว่าย่อมศึกษาเมื่อตั้งสติชื่อว่าย่อมศึกษาเมื่อตั้งใจมั่นชื่อว่าย่อมศึกษาเมื่อรู้ชัดด้วยปัญญาชื่อว่าย่อมศึกษาเมื่อรู้ชัดธรรมที่ควรรู้ชัดชื่อว่าย่อมศึกษาเมื่อกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ชื่อว่าย่อมศึกษา เมื่อละทำที่ควรละชื่อว่าย่อมศึกษาเมื่อเจริญทำที่ควรเจริญชื่อว่าย่อมศึกษาเมื่อทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งชื่อว่าย่อมศึกษาคือย่อมประพฤติประพฤติเอื้อเฟือ้อประพฤติเอื้อเฟื้อด้วยชอบสมท า, านประพฤติด้วยเหตุนั้นจึงตรสเรียกว่าพระเสขะคำว่าเป็นอันมากเต็กแก่มากมาย พระเสะเหล่านี้เพื่อพระโสดาบันและผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาปิตผลพระสกทาคามีและผู้ปฏิบัติเพื่อสกทาคามิผลพระอนาคามีและผู้ปฏิบัติเพื่ออนาคามิผลพระอรหันและผู้ปฏิบัติเพื่ออรหัตผลคำว่าในที่นี้ได้แก่ในความเห็นนี้ความถูกใจนี้ความพอใจนี้ความยึดถือนี้ ธรรมนี้วินัยนี้ธรรมวินัยนี้ปาพจน์นี้พรหมจรรย์ น, นี้สัตวุศาสตร์นี้อัตภาพนี้มนุษยโลกนี้รวมความว่าและพระเสกะเหล่าใดที่มีอยู่เป็นอันมากในที่นี้คําว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์ผู้มีปัญญาโปรดตรัสบอกการดําเนินชีวิตของพระอรหันตขีนาศ และพระเสขะเหล่านั้นเถิดอธิบายว่าแม้พระองค์ผู้มีปัญญาคือเป็นบัณฑิตมีปัญญามีปัญญาเครื่องตรัสรู้มีญาณมีปัญญาแจ่มกระจ่างมีปัญญาเครื่องทำลายกิเลสโปรตรัสบอกการดาเนินชีวิตคือจริยาความประพฤติความประพฤติเอื้อเฟือ้ออาจาระโคจรวิหารธรรมปฏิปทาของท่านผู้มีสังขาตะธรรม และพระเสขะเหล่านั้นเถิดคำว่าาพระองค์ทูลถามแล้วได้แก่ทูลถามแล้วคือทูลปุจฉ้าทูลขอทูลอันเชิญทูลให้ประกาศคำว่าโปรตรัสบอกได้แก่โปรตรั ก, กรรคือโปรดบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศคำว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุก เป็นคํากล่าวด้วยความรักเป็นคํากล่าวด้วยความเคารพคําว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์นี้เป็นคํากล่าวที่มีความเคารพและความยำเกรงรวมความว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์ผู้มีปัญญาโปรดตรัสบอกการดำเนินชีวิตของพระอรหันตขีนาศและพระเสขะเหล่านั้นเถิดด้วยเหตุนั้นพราหมณ์นั้นจึงทูลถามว่า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 มีพระภาคตรัสตอบว่าพิกษุไม่พึงปรารถนายิ่งเนือกลามทั้งหลายพึงเป็นผู้มีใจไม่ขุนมัวฉลาดในธรรมทั้งปวงมีสติดำรงอยู่ว่าด้วยกลามสองคำว่าภิกษุไม่พึงปรารถนายิ่งเนือกลามทั้งหลายอธิบายว่าคำว่ากลามได้แก่กลามสองอย่างแบ่งตามมวดคือหนึ่งวัตถุกลามสองกิเลสกาม วัตถุกลามคืออะไรคือรูปเสียงกลิ่นรสโพธพพะที่น่าพอใจเครื่องปูลาดเครื่องนุ่งหม่มธาตุหญิงชายแพแะแกะไก่สุกรช้างโคมา้าลาที่นาที่สวนเงินทองหมู่บ้านนิคมราชธานีแคว้นชนบทกองพลรบคลังหลวงและวัตถุที่น่ายินดีอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้ ชื่อว่าวัตถุกลามอีกในหนึ่งกลามที่เป็นอดีตกรามที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันกรามที่เป็นภายในที่เป็นภายนอกที่เป็นทั้งภายในและภายนอกกลามอย่างหยาบอย่างกลางอย่างประนีตกลามที่เป็นของสัตว์ในอบายที่เป็นของมนุษย์ที่เป็นของทิศกรามที่ปรากฏเฉพาะหน้าที่เนรมิตขึ้นเองที่ไม่ได้เนรมิตขึ้นเองที่ผู้อื่นเนรมิตให้ กรารที่มีผู้ครอบครองที่ไม่มีผู้ครอบครองที่ยึดถือว่าเป็นของเราที่ไม่ยึดถือว่าเป็นของเราสภาวะธรรมที่เป็นกามวจรที่เป็นรูปาวจรที่เป็นอรูปาวจรแม้ทั้งปวงกรารที่เป็นเหตุเกิดแห่งตัณหาเป็นอารมณ์แห่งตัณหาที่ชื่อว่ากามเพราะมีความหมายว่าน่าปรารถนาน่ายินดีน่าุ่มหลงหน่ารื่นรม เหล่านี้เรียกว่าวัตถุกามกิเลสกามคืออะไรคือความพอใจความกำนัดความกำนัดด้วยอำนาจความพอใจความดําริความกำนัดความกำนัดด้วยอำนาจความดําริชื่อว่ากามได้แก่ความพอใจด้วยอำนาจความใคร่ความกำนัดด้วยอานาจความใคร่ความเพลิดเพลินด้วยอำนาจความใคร่ความทยานอยากด้วยอานาจความใคร่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 สมจริงดังที่พระเจ้าอัตมาศกเปล่งอุทานว่าเจ้ากามเอย๋ยเราเห็นรากเหง้าของเจ้าแล้วเจ้าเกิดเพราะความดมฤตเราจะไม่ดาฤิถึงเจ้าอีกเจ้าจะไม่เกิดมาเป็นอย่างนี้ได้อีกแล้วเจ้ากามเอย๋ยเหล่านี้เรียกว่ากิเลสกามตัณหาตราดเรียกว่าความติดใจคือความกำหนัดความกำหนัดนักอภิชาอากุศรมูลคือโลภะ คำว่าไม่พึงปรารถนายิ่งในกามทั้งหลายอธิบายว่าไม่พึงปรารถนายิ่งยิ่งขึ้นไปเืลอไม่พึงพัวพันในวัตถุกามเป็นผู้ไม่ยินดีไม่ติดใจไม่สยบไม่หมกมุ่นเคอเป็นผู้คลายความยินดีแล้วปราศจากความยินดีแล้วสละความยินดีแล้วคลายความยินดีแล้วปล่อยความยินดีแล้วและความยินดีแล้ว เป็นผู้สลัดทิ้งความยินดีแล้วคือเป็นผู้คลายราคะแล้วปราศจากราคะแล้วสละราคะแล้วคลายราคะแล้วปล่อยราคะแล้วและราคะแล้วสลัดทิ้งราคะแล้วเป็นผู้หมดความอยากแล้วดับแล้วเย็นแล้วมีตนอันประเสริฐสวยสุขอยู่รวมความว่าไม่พึงปราถนายิ่งในกรามทั้งหลาย คำว่าพึงเป็นผู้มีใจไม่ขุนมัวอธิบายว่าคำว่าใจได้แก่จิตมโนโมานัตหไทไยบันทระมณนะมนายตนะมนินทร์วิญญาณวิญญาณขันมโนวิญญาณธาตุที่เกิดจากภัสสะเป็นต้นนั้นจิตย่อมขุนมัวคือเศร้าหมองยุ่งยากวุ่นวายวันไหวหมุนวนไม่สงบด้วยกายทุจริต จิตขุ่นมัวเศร้าหมองยุ่งยากหุ่นวายวันไหวหมุนวนไม่สงบด้วยวจีทุจริตมโนทุจริตราคะความกำหนัดโทสะความขัดเคืองโมหะความลุ่มหลงโกตะความกโกรธอุปนาหะความผูกโกรธมักกะความลบหลูคุณท่านปลาสะความตีเสมออิสาความริษยามัฉริยะความตรหนี มายาความหลอกลวงสาเถียะความโอ้อวดธรรมภะความหัวดื้อสารัมภะความแข็งดีมานะความถือตัวอติมานะความดูหมิ่นมะทะความมัวเมาปมาทะความประมาทกิเลสทุกชนิดทุจริตทุกทางความโกร่งกระวายทุกอย่างความเร่าร้อนทุกสถานความเดือดร้อนทุกประการ อกุศลาภิสังขารทุกประเภทคำว่าพึงเป็นผู้มีใจไม่ขุ่นมัวอธิบายว่าพึงเป็นผู้มีจิตไม่ขุนมัวคือไม่เศร้าหมองไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายไม่วันไหวไม่หมุนวนสงบได้แก่พึงละทิ้งบรรเทาทําทให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งกิเลส ท, ที่ก่อความขุนมัวเพือพึงเป็นผู้งดงดเว้น เว้นขาดออกสลัดออกสงบหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสที่ก่อความขุนัวมีใจเป็นอิสระจากความขุนัวอยู่รวมความว่าพึงเป็นผู้มีใจไม่ขุนัมคําว่าฉลาดในธรรมทั้งปวงอธิบายว่าเป็นผู้ฉลาดในธรรมทั้งปวงว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา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 เป็นของแปรผันไปเป็นธรรมดาเป็นของไม่มีแก่นสารเป็นเหตุแห่งความลำบากเป็นดุดเพชฌฆาตเป็นของปราศจากความเจริญเป็นของมีอาสวะเป็นของที่ถูกเหตุปัจจัยปรุงแต่งเป็นเหยื่อแห่งมารมีชาติเป็นธรรมดามีชะาเป็นธรรมดามีพญาทิเป็นธรรมดามีมรณะเป็นธรรมดามีโสกะความเศร้าโศกปริเทวะความคร่ำครวญ ทุกขะความทุกกายโทมนัสความทุกใจอุปาญาตความคับแค้นใจเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาเป็นเหตุเกิดทุกตั้งอยู่ไม่ได้หาความแช่มชื่นไม่ได้เป็นโทษเป็นของที่ต้องสลัดออกไปชื่อว่าฉลาดในธรรมทั้งปวงอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งเป็นผู้ฉลาดในขันฉลาดในธาตุฉลาดในอายตนะ ฉลาดในปฏิเจสมุบาทฉลาดในสติปัญญานฉลาดในสัมมาปัญญาฉลาดในอิทธิบาทฉลาดในอินทรีย์ฉลาดในพละฉลาดในโภชชงฉลาดในมรรคฉลาดในผลฉลาดในนิพพานชื่อว่าฉลาดในธรรมทั้งปวงอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งอายตนะสิบสองตรัสเรียกว่าธรรมทั้งปวงคือตาและรูปหูและเสียง จมูกและกลิ่นลิ้นและรสกายและโภชพะใจและธรรมารมความกำหนัดเดื้อมหน้าความพอใจในอายตนะภายในและภายนอกภิกษุและความกำหนัดดื้ออำนาจความพอใจในอายตนะภายในและภายนอกได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ ด้วยเหตุใจภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดในธรรมทั้งปวงแม้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้รวมความว่าฉลาดในธรรมทั้งปวงลักษณะผู้มีสติสี่คำว่ามีสติในคำว่าภิกษุมีสติดำรงอยู่อธิบายว่ามีสติด้วยเหตุสีอย่างคือหนึ่งชื่อว่ามีสติเมื่อจเจริญสติปัฏฐานพิจารณากายในกาย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 เพราะเป็นผู้กระทำสิ่งทั้งหลายที่ควรทำด้วยสติสชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้กำจัดสิ่งทั้งหลายที่เป็นฝ่ายตรงข้ามากับสติสชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้ไม่หลงลืมทำ no ทั้งหลายที่เป็นมูลเหตุแห่งสติมีสติด้วยเหตุอีกสี่อย่างคือหนึ่งชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้เพียรพร้อมด้วยสติสองชือง่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้ชำนาญในสติ สามชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้คล่องแคล่วในสติสี่ชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้ไม่หวนกลับจากสติมีสติด้วยเหตุอีกสีอย่างคือหนึ่งชื่อว่ามีสติเพราะมีอยู่ตามปกติสองชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้สงบสามชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้ระงับสี่ชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมของสัตว์บุรุ มีสติด้วยเหตุอีกสิบอย่างคือหนึ่งชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึงพุทธคุณสองชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึงธรรมคุณสชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึงสังฆคุณ 4. ชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึงศีลที่ตนรักษา 5. ชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึงทานที่ตนบริจาคแล้ว 6. ชื่อว่ามีสติ เพราะระลึกถึงคุณที่ทำคนให้เป็นเทวดา 7. ชื่อว่ามีสติเพราะตั้งสติกาหนดลมหายใจเข้าออก 8. ชื่อว่ามีสติเพราะเราลึกถึงความตายที่จะต้องมีเป็นธรรมดา 9. ชื่อว่ามีสติเพราะเราลึกทั่วไปในกายให้เห็นว่าไม่งามส0ชื่อว่ามีสติเพราะเระลึกถึงธรรมที่สงบระงับกิเลสและความทุกข์คือนิพพาน สติสัมมาสติสติสัมโพชงเอกายนามักตรัสเรียกว่าสติพิกษุเป็นผู้ประกอบประกอบพร้อมดำเนินไปดำเนินไปพร้อมเป็นไปเป็นไปพร้อมเพีย่พร้อมแล้วด้วยสตินี้พิสุนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าผู้มีสติคําว่าพิษุอธิบายว่าชื่อว่าพิกษุเพราะทําลายทำเจตประการได้แล้ว คือหนึ่งทำลายสักกายติชิได้แล้วสองทำลายวิจิกิจฉาได้แล้วสามทำลายศีลปตะประาปรมาตได้แล้วสี่ทำลายราคะได้แล้วห้าทำลายโทสะได้แล้วหกทำลายโมหะได้แล้วเจ็ดทำลายมานะได้แล้วคือพิสูจนนั้นทำลายบาปอากุศลธรรมซึ่งเป็นเหตุแห่งความเศร้าหมองก่อพบใหม่ มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งชาติชะรามรณะต่อไปได้แล้วสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าสพิยะผู้ใดควรเกิดคำชมเชยว่าเป็นผู้ถึงนิพพานด้วยทางที่ตนทำแล้วข้ามพ้นความสงสัยได้แล้วและความเสื่อมและความเจริญแล้วอยู่จบพรหมจันทร์สิ้นพบใหม่แล้ว ผู้นั้นชื่อว่าภิกษุคำว่าภิกษุมีสติดำรงอยู่อธิบายว่าภิกษุพึงมีสติดำรงอยู่คือพึงมีสติเดินพึงมีสติยืนพึงมีสตินั่งพึงมีสตินอนพึงมีสติก้าวไปข้างหน้าพึงมีสติถอยกลับพึงมีสติมองดูพึงมีสติเลี้ยวดูพึงมีสติคู้เข้าพึงมีสติเหียดออก พึงมิสติใช้ผ้าสังคาติบาทและจีวรพึงมีสติเที่ยวไปอยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไปรวมความว่าภิกษุมีสติดำรงอยู่ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าภิกษุไม่พึงปรารถนายิ่งเนกลามทั้งหลายพึงเป็นผู้มีใจไม่ขุนมัวฉลาดในธรรมทั้งปวง มีสติดำรงอยู่พร้อมกับการจบคาถาธรรมจกรากสุไร้ทุลีปราศจากมนทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาได้เกิดขึ้นแก่เราเทวดาและมนุษย์หลายพันผู้มีฉันทะความพยายามความประสงค์การอบรมบุญญาบารมีร่วมกันมากับพราม จิตของพราหมณ์นั้นก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นหนังเสือชดาผ้าคากรองไม้เท้าละกะจันรน้ำผมและหนวดของอชิตะพราหมณ์ก็หายไปพร้อมกับการบรรลุอรหัตผลท่านเป็นภิกษุมีศีรษะโลน้นนุ่งห่มผ้ากาสาวะทรงสังฆาติบาทและชีวอนเพื่อการปฏิบัติเอื้อประโยชน์จึงประคองอัญชลี